บทที่88อดีตการของกิริยาช่วยสองลูกชายของผมไม่อยากเล่นตุ๊กตา Мой сын не х ค่ е เ гулять ูล я л ь к о й ลูกสาวของผมไม่อยากเล่นฟุตบอล дачка не хотела гулять น футбол ภรรยาของผมไม่อยากเล่นหมากรุกกับผ ม, ม хотела гулять со мной ล ш а ก м а т ы ลูกๆของผมไม่อยากไปเดินเล่น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 เขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานช็อโกโกแลตเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ทานของหวานผมได้รับอนุญาตให้ขอพอร ผมได้รับอนุญาตให้ซื้อชุดให้ตัวเองได้หนึ่งชุดมมมมมผมได้รับอนุญาตให้หยิบช็อกโกคคแลตมัมนเนี้ยมันเนี้ยมันเนี้ยมันเนี้ยมันเนี้ยมันเนี้ยนเนี้ยมันเนี้มันเนี้ยมันเนี้รันเนี้ยมันเนี้ยมันเนี้เ้ย คุณดื่มเบียในโรงพยาบาลได้หรื อ, บบรอคุณนำสุนัขเข้ามาในโรงแรมได้หรือบบรในช่วงพักร้อนเด็กๆไม่ต้องไปนอนตามเวลา พวกเขาเล่นที่สนามได้นานพวกเขาได้รับอนุญาตให้นอนดึกได้ знання